สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิเสียพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สามร้อยห้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่แปดสิบขออย่านํำข้าพพงทั้งหลายเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้อัญเชิญพระโอชณะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบหกได้บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ข้อสารพัดซึ่งมีในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทะนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกพี่น้องครับยอนเรียกกับดักครับที่มารซาตานวางไว้เพื่อจะล่อเราหรือเรียกหลุมพรางนั้นว่าโลกพี่น้องครับยอนได้กล่าวว่าโลกนั้นเป็นกับดักที่ประกอบด้วยสามด้านด้วยกัน ด้านแรกก็คือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของเนื้อหนังนั้นหมายความถึงความปรารถนาของเนื้อหนังรวมถึงความขี้เกียจด้วยครับและรวมถึงการตอบสนองความต้องการทางเพศอย่างผิดๆการเสพติดต่างๆในเรื่องต่างๆมากมายพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าตัณหาของเนื้อหนังนี้เรา จะต้องระวังอย่าตกลงไปในกับดักของมารซาตานนะครับพระเจ้าต้องการใช้ร่างกายของเราให้มีอิสระครับหลุดออกจากการผูกมัดของอำนาจมืดมิญ ญ, ญันชั่วทั้งหลายเราจะต้องให้ร่างกายของเรามีอิสระรับอิสรภาพที่ดรับการปลดปล่อยจากองค์พระวิญญาณเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลด้วยร่างกายของเรานี้ ครับในเรื่องนี้ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้กับพี่น้องต่อไปว่าในขณะที่ดูกันครับเราต้องรักษาร่างกายของเราครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้เป็นธรรมะไทยของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันการหักโหมทํางานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาถือว่าเป็นการทําลายร่างกายซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองนั้นส่วนตัวได้เรียนรู้เพราะฉะนั้น อาจารย์ในโรงเรียนพระคุสธ ร, รมสอนว่าเราต้องพักเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับผมเองก็ต้องพักเหมือนกับพี่น้องและขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาให้เรามีเวลาว่างที่เราจะพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับด้านที่สองครับที่ยอดได้กล่าวไว้ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าสารพัดซึ่งมีในโลกนั้นอย่างที่สองก็คือตัณหาของตาตัณหาของตาก็คือความปรารถนา สิ่งที่ไม่ใช่ของของเรานั่นคือการขโมยนะครับการโลภ ก, การโกหกเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของต่างๆหรือการใช้ตาของเราหรือสายตาของเรานั้นเพ่งมองในสิ่งที่ไม่สมควรพี่น้องครับในชีวิตของผู้ชายนะครับเราได้ทํำบาปเรื่องตันหาของตาค่อนข้างมากและในขณะเดียวกันครับ ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับก็ทำบาปในเรื่องของตันหาของตาอยากได้สิ่งของนะครับอยากไปช้อปปิ้งในหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงๆแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับประการที่สามครับความทนงในลาบยศความทนงในลาบยศที่ย้อนกล่าวถึงนี้เป็นระบบของโลกที่รวมถึงการให้ตัวเองนั่งอยู่บนบรรลังของชีวิตการที่เรานั่งอยู่เป็นเจ้านายของชีวิตของเรา นะครับแม้ว่าการให้ตัวเองนั่งอยู่ในบรรลังของชีวิตนั้นถ้าจริงๆแล้วจะว่ากันไปแล้วก็คือผิดครับเราจะต้องให้พระเยซูนั่งอยู่บนบรรลังของชีวิตของเรานะครับบางครั้งเราภูมิใจในตัวเราเองซึ่งไม่มีอะไรผิดครับนะครับเรานับถือตัวเองไม่มีอะไรผิดครับเราให้เกียรติตัวเองไม่มีอะไรผิดครับ แต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกทน o ตัวยกตัวเองสู้กับพระเจ้าเมื่อไหร่หรือไม่ยอมรับมาตรฐานของพระองค์เมื่อไหร่หรือเราพยายามอย่างยิ่งที่จะไต่เต้าขึ้นไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งลาบยศสรนเสริญเกียรติยศสงหาราศีและปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งเพียงกับเรื่องราวต่างเหล่านี้นะครับมักจะพบอยู่กับคนที่มีความสามารถมีศักยภาพ สูงมีปฏิทภาพสูงและเมื่อเขาได้รับสิ่งต่างที่เขาต้องการในโลกนี้แล้วเขาไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าครับเขาไม่ได้ยกย่องพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นที่มาของความสาเร็จของเขาและหลายคนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สูงประสบความสำเร็จมากมีเงินทองมากมายครับแต่เขาขโมยพระเกียรติของพระเจ้าเขาลืมที่จะสรรเสริญยกย่องพระเจ้าเป็นต้ครับ นี่เป็นความผิดในเรื่องของความทนงในลาบยศพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรากำลังสำรวจตัวเองว่าเราปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าเนื้อชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานค่อนข้างมากครับในโรงงานเราก็มี ISO ในโรงพยาบาลเราก็มี HA ซึ่งเป็ Hospital Accreditation นะครับ ในระบบการศึกษาเราก็มีมาตรฐานการศึกษานะครับมีองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบต่างๆพี่น้องครับในชีวิตของเรามีอะไรที่จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบครับคําตอบก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับหรื อ, อในหนึ่งก็คือพระบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากแจงให้เราตรวจสอบนะครับชีวิตของเราตามกฎหมายของพระเจ้าหรือตามพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่ง เบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดก็คือพระบัญญัติสิบประการนะครับบัญญัติสิบประการนี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอพยยบบทที่ยีย่สิบนะครับพี่น้องครับผมจะค่อยๆ อ, อ, อ่านไปทีละข้อนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนว่าเรานะครับทําอะไรผิดจากมาตรฐานของพระเจ้าแล้วหรือยงังข้อไหนบ้างที่เรายังทําได้ ข, ข้อไหนบ้างที่เรางทําไม่ได้โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระบัญญัติสิบประการ พระเจ้าจัดพ่อฉนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาตข้อแรกอย่ามีพระเจ้าอื่นใดเหนือนอกเหนือจากเราข้อสองอย่าทารูปเคารพสาหรับตนข้อสามอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรข้อสี่ จงระลึกถึงวันสบาโตข้อห้าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าข้อหกอย่าฆ่าคนข้อเจ็ดอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาข้อแปดอย่าลักทรัพย์ข้อเก้าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านข้อสิบอย่าโรครัวรเรือนของเพื่อนบ้าน พี่องคับสิบข้อที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับอาจจะเป็นการทบทวนความทรงจําของเราในอีกแง่หนึ่งก็คือผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนว่าเราตกจากมาตรฐานของพระเจ้าสักกี่ข้อครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพพงเข้ามาในการทดลองเรากําลังขอว่าพระเจ้าขออย่านําข้าพพงคเข้ามาในกับดักของโลกที่จะทำ้ายข้าพระองค์ เรากำลังขอชีวิตแห่งชัยชนะครับชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่มีชัยเหนือการทดลองการล่อลวงการทดสอบทั้งหลายหมายความว่าเราต้องผ่านครับพระเจ้าตอบคำอธิฐานและเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิฐานนี้เราสามารถกล่าวร่วมกับอาจารย์เปาโลได้ว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราในพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งอันนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่สองข้อสิบสี่ครับ 2โครีบทที่สองข้อสิบสี่ว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับว่าขออย่านำข้าวบงใ น, นการทดลองเรากำลังแสดงหลักฐานของท่าทีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเรานะครับต่อความบาปนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีวันทําบาปอีกเลยหลังจากที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับโปรดระลึกว่า พระคัมภีร์ยอมรับว่าทุกคนนั้นสามารถที่ตกเข้าไปในความบาปได้สามารถที่จะมีแนวโน้มที่ทําบาปได้นะครับพระเจ้าของพระเจ้ายืนยันเช่นกันครับหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่แปดหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่แปดถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองพี่น้องครับถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองนะครับเรามีบาปครับ แม้ว่าจะรับการยกโทษบาปก็ตามแม้ว่าจะตภาพบาปก็ตามเรามีแนวโน้มนะครับเพราะธรรมชาติบาปของเราสามารถที่จะชักนําเราโดยการล่อลวงของมารซาตานให้เราทําบาปได้นะครับนอกเหนือจากธรรมชาติบาปของเราแล้วถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาปก็เท่ากับว่าเราทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย คือนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราอาจจะทํำบาปได้เราอาจจะสะดุดและตกเข้าไปในความบาปอย่างไม่ตั้งใจได้พี่น้องครับนะครับผมก่อนเนี้นะครับเราอาจจะสะดุดและตกเข้าไปในความบาปดะอย่างไม่ตั้งใจได้พระเยซูคริสประทานท่าทีใหม่ให้แก่ผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริงครับพูดกลับใจใหม่อย่างจริงใจเปเยซูประธานท่าทีใหม่ให้แก่เขาพระองค์ต้องการให้เราดําเนินชีวิตใหม่โดยเป้าหมายใหม่ครับใ พระองค์ต้องการให้เรามุ่งสู่ความดีรอบครอบเหมือนกับพระเจ้าผู้ดีรอบครอบแม้ว่าพระองค์ทราบว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครดีรอบครอบก็ตามแม้แต่คนที่ไม่ดีรอบครอบก็สามารถต้องเป้าสูงๆได้ครับพี่น้องนะครับแม้แต่คนเช่นเราที่ไม่ดีรอบครอบก็สามารถตั้งเป้าหมายสูงๆในชีวิตของเราได้และนี่คือสิ่งที่ย้อนหมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่าคนที่เกิดจากพระเจ้า ไม่ทำบาปพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราครับถ้าเราคิดว่าเราเกิดจากพระเจ้านะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำบาปน้อยลงน้อยลงและในสุดจะไม่มีบาปเลยพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรในเป้าหมายชีวิตของเราครับเมื่อเราตรวจสอบชีวิตของเราเราคงจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเป็นความอ่อนแอหลายสิ่งแย่เกิดจากความบกพร่องของเรานะครับแต่เราจะไม่ตั้งใจที่จะทาบาปครับ ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งตัวผมเองด้วยอเมน